อันนี้อนนี้นี่นีอะไรตีอะไรตีเส้อเก็บหลังเหลือนี่คะเหลืองเหลังลองหมท่านพระพุทธเจ้านะอีบารมีพระพุทธเจ้าถ้าเราต้องการนิชักอต้องพิจารณาันสก่อนน เกิสุขก็เปนทกเทุกข์อนทุกข์เกิดแล้วเมื่ปวยไ้มาสบายเปนสุก็เปนทุกข์ทุกข์มกาลยการกี่การงานทุกอย่างที่เราต้องทำเป็นสก็เนทุกข์ทุกข์นทุกข์ถ้าทุกข์แล้วต้องการทุกข์แบบนี้ไหมไม่ต้องการเลยเ้องการกันเอกนี่ก็ตั้งใจตั้งใจคิดว่าทิ่ว่าการคือดครานี้คือว่าเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิต เราไม่ต้องการมันอีกทำใดที่องค์สมเด็จตัสมมาสมเด็จแช่สงตรัสว่าร่างกายมจะเป็นในเพียงธาตุสี่เสียวธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟที่เข้ามาประชุมกันในกายแล้วก็มันค่อยสลายตววทีละน้อยๆสะว่างที่ทรงตัวอยู่ก็เป็นทุกร่างกายเต็มได้วยความสุขรงบ หาความหาความสะอาดไม่ได้ในที่สุดทิ้งก็ตายถ้าเราหลงอยู่ในร่างกายของเราก็ดีหลงในร่างกายคน อ, อื่กก็ดีหลงอยู่ในวัตถุธาตุต่างๆคิดว่าเป็นเราเป็นของเราก็ดีทั้งหมดนี้มันเยกเป็นปัจจัยให้เราเกิดนักธนบัตรนี้ไปจนไปขึ้นที่ว่าขันห้าที่วา่าเกอบบริกาสีแล้วก็มีอาการสารสองเต็มด้วยความสกปรก เราไม่ต้องการมันอีกิดิามนีร้รล่ิสว่างคิดสว่างใช่ไมยังนนีนี้เรื่องาสวางไม่ต้องไม่คิดตามนี้แล้วเราต้องเข้าหามุมที่เราต้องการมุรมแรกก็คือวัโสดาบันอันดับแรกต้นสุดที่เราจำต้องจับให้ได้ถ้าเราสามารถจะทรงได้ แล้วก็มีหวังที่เราจะไม่ต้องการร่างกายต่อไปอีกนั่นคือหนึ่งเรามีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่สร้างก็ตายสิดตามนี้หรือเปล่าคิดเลยต้อนตายต้องตายที่ใดไม่สิ้นไดะทำไมสิ้นได้ในร่างกายก็คือว่าอารมณ์ถูกต้องนี่เราไมต้องารร่างกายไม่ต้องการร่างกายนี้ สิ่งที่เราจะยึดสันดับแรกก็คือหนึ่งคนของพระพุทธเจ้าที่เราจะรู้จักบาปุลคุณโทษประโยชน์ที่ช่วยประโยชน์ได้ก็อาศัยพระพุทธเจ้าคนคว้ามาแล้วก็สอนเราไม่มีความมั่นใจในพระพุทธเจ้าราวคิดด้วค่ะมั่นใจมั่นใจใ่ไมั่นใจแน่นอนนะจัค่ะแล้วก็กจะทําคําสอนสอนของพระพุทธเจ้า ม, ม่นใจเลยค่ะมั่นใจเลย้ค่ะเจาความดีอของเจ้อระส่ทั้งหลายเค็ด้ค่ะแล้วก็การที่เราจะมั่นใจในพระเจ้าก็ดีแล้วก็ทางก็ดีแล้วก็สองก็ ด, กดีอันนี้มีเครื่องบริสุท์ก็คือสิ้นห้าทรงได้บริสรุทธิ์มส้ยห้หนึ่งไม่ฆ่าตัดดุจกนณาจริค่ะสอง ไม่ยึดตีไม่ไม่เที่ยวของ<ม>ใครโดยเจตนาในการลักขโมยเชื่อค่ะสามไม่ตั้งใจทำลายบุคคลอื่นห้ยวยวาจามสาวาดเชื่อค่ะสีอันตรับส น, นอยไม่ต้องการแย่งคนรักของคนอืน่นเช่อค่ะไม่ต้องการนะาไม่ถึงสุรามีไรเชื่อค่ะอันนี้ทำได้ไหรือเปล่าตอนนี้กองังทำอย่ใช่ไหมกำาัทำอยู่นะเช่อค่ะยาตัดสินใจทาให้ได้นะเชื่ค่ะ คิดไว้สมอว่ า, ากดห้าประการนี้เราจะไม่ยอมถ้าเมื่อเป็นขาดโดยเจตนาเนี่ยใช่ค่ะสุราเมรยัยถึงเมอว่าการกินน่อินีงกำลังเนี้เราก็ต้องตัดหมดนใช่ค่ะณไม่ได้ไรคัญใช่ค่ะแล้วก็อุดหนึ่งเวลานี้ติดรักผีพันไมรัีันนี่ค่ะถ้าเราตา้อายอย่างนี้ได้ก็ถือว่าเราเป็นโสดาบัน ลองเล็กจ้าทิ้งห้ารายการนี้จะสามารถทรงได้ได้ไหมต้องมั่นใจมั่นใจมยังยงมันใจเรื่องมือสาวด้วยหรือไม่สาดวรสาวด้วยเราต้องรู้ พูดสาวาตผิดแค่เราพูดเล่นก็ไม่ถือสาวานะแ้วพูดว่าทารายประโยชน์ไม่ใช่สาวาอย่างคุณเขาจะมีอันตรายเราบอกว่าถ้าไปนั้นมีอันตรายนั่นเขาไม่เชื่อแล้วก็หาทางอื่นบอกเขาเด็คนเดจะไปตกด้ทุนนี้อย่าไปนันหนูจะตกไดุนด็กไม่เชื่อ พอหนูจะไปจงมูกัดจะโกงโกงงอยังังนี่ก็ไม่รด้โมสาบัดนี่พอทำได้ไหมได้ค่ะแต่ ค, คาบางคำเนี่ยถ้าเราพูดไปตรงไปตรงมามันเกิดโทษโดนอีกเราก็ต้องหาวิธีหลีกเลี่ยงฮนะใช่ค่ะเราสราบประโยชน์แต่ความจริงเร้ น, น, นี้มันไม่ยากเวลานี่เิ้า ไ, ไว้ไหม ท่านไม่ไหวเลยค่ะไวมเจ็บค่ะไหมั่นใจว่าทาได้นเจ็บค่ะดูตัวอย่างภาาลิบบทภาษาบทท่านผู้กระทำที่กะโจนกมะทำตระโจนฆ่าคนมามากแต่ก็ต้องหาทางลวงว่าการค่าคนราชาเป็นคใชให้ฆ่าท่านถามว่าโทอยู่กับใครท่านที่โจที่จะโทอยู่กับราชาแต่ความจริโทอยู่แก่ แต่เมื่ อ, อท่านดิจิจนทเชื่อตัวตเองไม่มีโทษไม่มีบาปต้องเทศต่อไปว่าดรรมลกมรรคให้ีการกล่าวทอยทำแบบนี้ให้ให้ใหคนเกิดศรัทธาทหาไม่าดือริ้เคีื่องความจริงไปบ้างตื่อยูของเขาเข า, ม า, าไม่ถูอโสาววาดนะเธอค่ะเขาทำได้ไหมไ ด, ได้ค่ะได้นะจะค่ะแต่ดีขนได้นะงที่เือหลืองตัว็ขาเอางจะขึ้นไหม ยังเฉยเฉยๆเจ้คะใจสบายใช่ไหมสบา ย, บายใช่ไหมสบายขึ้นมาไหมเม่อยอย่งของใจตัวเราจะทำไม่ได้แต่นี้คิดว่าจะทำได้เจ้คะตอนนัวเราไม่เข้าใจเนี่ยะตั้งใจนี่นถึงบารมีพรทเจ้านึกถึงแม่เท่านั้นเจ้คะฉันมีอะที่คิดไหม ยางเจ้าค่ะยังเลยเจ้าค่ะเออแต่วันนี้ดีอยู่ไหมเจ้าค่ดีกววันไหมเจ้าค่ะวันนี้ไม่เกิดไม่อะไรเลยนะแต่ะจะมาที่สูงขึ้นทุก็รรู้ว่าวันนี้มาที่ดีมากขึ้นก็ทาไปเรือยๆดีนะเจ้าค่ตอนนี้ก็นั่งตัดสินใจว่านอกจะทิ้ห้านอกจากคุนปรัชนาใจแล้วแล้วก็วันนั่งมองดูร่างกายพวกเรา ร่างกายคนอื่น่สคัญนะเพราะร่างกายเรานีมา่มันไปสุขแล้มันทุกข์ทุก้นทุกข์นะี่มันไปสุขแล้วตอนเมื่อมันเป็นทุกข์ร่างกายของเรามาาันจะด้อสก็เสาะมากแล้วก็ลบมากเลยที่น้าเย็นใช่ไมใช่ค่ะร่างกายรู้ว่ามันไม่ใช่เรามันไม่ชองเรามันเป็นเรื่องดางอรศัยเฉพาะจูบราเท่านั้น ว่าเป็นบ้านที่เต็มด้วยความสุขลกท่าน่างกายนี้คนรังเกียจรื่าคนจยรักมันรังเกียจ<ะ>เกีนะรเียร่างกายเราร่างกายคอนนะ่ะน่ารังเียจด<ะ>้วยรังย ด, ด้วยน ะ, ะตัดสินใจ ย, ย่างนี้นะเพรร่างกายที่เต็มด้วยความสุขลกโสมมุมช น, นีเราจะไม่พิปป่มปัญนานมันถ้าในชาตินี้ถ้ชาต่ตอไป แต่ว่าถ้ามันมีอยู่อย่างนี้แล้วก็ปฏิบัติตามหน้าที่มันหิว แ, แล้วก็หาให้กินมันหนาวแล้วก็หาความอบอุ่นให้มันร้อนแล้วก็หาควเย็นให้จึงกว่ามันจะพังใช่ไหมพังแล้วเราไม่ต้องการมันอีกใช่ทั้งการนั้นทั้การ น, นะ่ยจะตัดสินใจได้แล้วนะใช่อปะขอในกาสายจะเรียกยังไมันจะได้อะ สัานใจนะค่ะใจสบายนะใช่ค่ะในอารมณ์อีอย่างหนึ่อองก็คืออารมณ์โกรธอารมณ์ที่คน <c oughs> คู่ไมถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างม่าจีกจบับเาใช่ไหค่ะ <c oughs> เราก็ต้องคิดาอารมณ์ที่ <c oughs> อออารมณ์ที่ร้ายดีแต่ถ้าถูกใจก็ดีไม่ถูกใจก็ดีมันไม่เสาระแสนชาน เราต่นทีนี่ไเราจะตั้งใจคิดว่าจิตเราหนึ่งจะหาความผ่องใสได้การรับกับวางคนในสัตว์ไม่ใช่เรา ก, การมาอบรมนะเจาค่ที่ว่าเรากับเขาเป็นมิ <S S S มจฉันเ <S S 1> ้าค่ะเป็นเพืนกิดก่เจตายเหมือนกันเราจะหาทางปรานีสงเคราะห์ท่าสี่งนั้นไม่เป็นสจค่ะนะเจ้ค่ เราจะไม่จติดใจใครเขาพูดชั่วแล้วก็ทําชั่วแล้วเราทิดว่าการกระทําอย่างน них, าั point, them, <S <s ้นมันเพิมเป็นเข้อใส่ใรเข้าใจ่ใจดีเขาจะหลงผิดนะเราจะหไปเขาใจคนนี้เขทําไหไหมไหวค่ะไหวนะไม่ยากมเดยวค่ะคนที่เขาได้ดีเราจะมองความดีของเขาจะเขาดีเรานี่ย่แทนที่จะคิดว่าไปคิดลางความดีเขา แล้วก็มองดูว่าทำไมเขาจรงดีคิดเลยค่ะคิไหเคะเมื่อเขาดีแล้วเรายายจะทาตามเขาเพืดีต่อไปถึงเขาเค่ะแ้ไม่มีอารมณอิจาใช่ไหมไม่มีเลค่ะได้จะได้แล้วข้อทุ้าที่มีความสาคัญก็คือว่าขันห้าร่างกายเนี่ยมันมีทุกเวทนาเป็นปกติเจ้ค่ะโกดนอนปลอยนี่เดี๋ยวพอดีแต่วไม่ดี อารมตอนนี้ต้องวางคิดว่าสภาพทางความจริงของมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราจะไปืนมันไม่ปดไม่ปดวปดโอ้ฝไม่ได้ใช่ไหมใช่จ้าที่หว่ามันจะตายช่วงลานี้มีความเสีย่ยงไหาถ้ามันตายเวลานี้เราไปแดนนิพพานเรอยากตายใช่ไหมแต่คิดเท่าตั้งรัตน เขาว่าทำไมเสอยใจตายเมื่กว่าถ้ามันจะตาเวลานี้เราไม่ตกใจใช่ไหมไม่ตกใ จ, จก็ทําไม่ห่วงใครแล้วจ้ะเด่ได้เขาว่าถ้ามมีการห่วงใครไม่ตกใจอย่างนี้ถิอว่าอารมณ์เขาไม่ผ่นนะ<ช>แต่ดีใช่มแตดีใช่ค่ะดีเมี่สบายเนี่ยใชค่ะตอนนี้จับความภาวนาเล็ถิ่นโอสมุทรส ม, มามชาุนเจ้าแลลกังแม่เขา เราก็ขอให้โปรดไม่หมักมาเด่นไปเงาก็ ม, มีที่พอใจใจัตว์ะพระนิพพานในอารมณ์ง่ายจะดีไหมอือฮะอารมสว่างแล้ว วสวา่งสวางขึ้นหน่อยจะฮสว่างขึ้นหน่อยสิอารมณ์ใจอารมณ์ดีขึ้นถ้าจิตสะอาดอารมณ์สว่างขึ้นนะ้าใจ่วยคิดเราจะเห็นนัน้นเลยหรือไม่เั่นเลมันไม่สำคัญสำคัญรือว่าจิตเราสามารถไต่ขึ้นห่านได้ไหมนะมีความเมืองเกียดในร่างกายไหมเร่งเกียบในโลกนี้ไหม แค่สามสามที่พระราชนิพนธ์เรานะถ้าที่เราไม่รักนีนถ้าคนเราที่เราไม่รักนะแค่สามคนแล้วคืออะรหนว่าถาไม่ักความพอใจความสุขไม่รู ง่ายร่ามันที่ตั้งอยู่แล้วนี่มันจะลงว้นิพันนะที่เราไม่รักในชนะตั้งเกียรติใร่างกายเราไม่พอใจที่ไม่รักใร่างกายของเราเี็นว่ามันสกปรกไม่รักใร่างกายต้โอนอืไม่มีความโง่ใหญ่ในบุคคลใดจะมาถูทั้งหมดใช่ไหมใช่ค่ะไม่วง่ใช่ไหมใช่ค่ะอารมณ์ไม่โก็อารมณ์ด อารมณ์นี้เขอารมณ์ผลิพานถ้าจิตจะตียานี้เป็นปกติตายเมื่อไรผิพานเมือนั้นที่ะมีเรามีความรู้สึกว่าอารมณ์อย่างนี้เป็นปัจจัยเราผลิพานพอใจมากไหมพอใจะพอใจนะจับคำภาวนาวนวาสาสวสบาตก้งใจนึกถึงบรมีโอสุสมาติเจ้าขอได้โปรให้เกิดความสว่างสว เย่าน้อยทีสุดขอให้พระสมีกายของพระองค์จุดที่มีแสงใส่มยไหมมีมีใช่ไหมมีนิดนิดก็ไมีน้อยนะใช่ขอที่ฐานว่าพรองสมเด็จสัมมาสัมพุทธเขอให้พระอเจ้าเองสงพระสมีของให้ชัดเจนว่านี้จิตใจเป็นภนาระลมนะ นึกถึงทานโดยแล้วก็จิตจับนี่ผานพราขันหานี่เต็มในความเรกวธรรมอย่างนี้เราไม่ผ่านดีนิดนมดี้นจะค่ดีขึนนะจรค่ผมขอรดีขึนับจับจุดีิตไม่ถินท่านบุคคลาภนามีว่าท่ากัว่าเจ้า จะมีโอกาสข้าวัา น, น, นีขันน่นในชาตนี้แต่พพเจ้าเองไม่ต้องการขันห้าไม่ต้องการก า, รารเเนเกิดแบบนี้อีกไม่ติดในทักชิณในดๆไม่ติดอยู่ในอุปคิัทั้งหมดแม่แต่ร่างกายนี้ก็ไม่ติดอยู่แต่ว่าที่ยังอยู่อย่างนี้เพรว่าอยา ย, อยุไขยไม่หมดอารมณ์อย่างนี้เขาต้องดิบพระบรมสุคติไม่โปรโดใช้ข้าพระพุทธเจ เนราีม Ch ่างกายตององุ่ชัคนนี้สักหน่อยเห็นชัมเป็นสวาสวาเ่สาล้วันนี้ต้องขันราีมีให้จม่ค่อยสะดวใช่ไตอนนี้ตานงพูดในนิ่งหมดใช่ไหมนิ่งหมดใชม ที่สว่างน้อยก็รู้ว่าการให้ใจไม่สะดว่สวนอยจับแงนั่นนะคิดทตจะคิดว่าพริพพานอยู่ที่ไหนเขา่ชว่จำใจบริโภคศน้รบรีองบาขันคิดไม่รู้เเจ้าไอดคิดทุกภาวะนิพพานนั้นถูกต้อง ต น, นีความรู้สึกคววัต่านเปนไความรู้สึกความรู้สึกวา่าตงนั้นสว่างสว่างไม่มีอะไแต่พวท่านคิดความรู้สึวกว่าอารมณ์นี้อะไรความดป็นจิตใจชาติความรู้สแล้ว อรมมันจะสดชื่นหรือว่าจะมีสภาวะเหมือนมนุษย์ด้วยเหมือนเทวดาจะเหมือนตมจะมีความเยือกเย็นลองเยือสบายก็ยค่ะทางความรู้สึกนะเ้า่ะนี่ความรู้สึกอย่างเนี้ยเวลานี้อารมณ์เป็นทิพนะที่เกิดวความรู้สึกทุกต้องจะไปอารมณนี้ไว้นะเจ้ค่ ะ, คะลองตั้งจิตให้สบาย นึกถึงพระรูปผู้ชมโอสมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจ้าอปัจจุบันวางงาา่าพระรูปผชมต้องเป็นยังไงแล้วก็ตั้งใจจะประนมสะ บ, บายดูความรู้สึกความรูม้สึกบอกว่าไง ทำความรู้สึกว่าท่านเห็นดั้ไหนเจ้าไม่ไม่ไม่เราเห็นเอาความรู้สึกคนใจก่อนความรู้สึกคงใจเวลานี้มันบอกพระองค์แต่งตัวเป็นขรานุ่งข้าเหลืองรือว่าแต่งตัวแอลวาวนีรนฆับเป็นแก่อะไรนี ก็รู้สึกว่ามันก็เหลืองใช่เลืงนะ่แล้วเขาไปโฉมงไงสวยไม่างความส่าวสกเขสวยยค่ะอมรุ่นเอาคม สม่ผอมไม่อ้นเลยนะไม่ผอมไม่อ้นเลยต้มทรงเลยใช่คะแล้วต่อไปทำความดีแต่ว่าภาวะที่พระองค์ทรงอยู่ที่นิพพานจริงๆที่ว่าบุญค่าทุนเสี่เหลืองนั้หมาความว่าพระองค์ผู้ทรงนันสมัยที่เป็นมนุษย์ใช่ไหมใช่ค่ะนั่นเขอบารมีพระพุทจ้าโปรดดลบิณฑ์แจ้งให้ความรู้สึกว่าในภาวะที่พระองค์อยู่ที่นิพพานจริงๆย มีพระรูปผสมเป็นยังไงเป็นพระหรือมีสภาพเป็นทวันใดแล้มีเค่งประดับุา็ย็เป็นคนมด้ว่นาน งานแอลก้วลอกครับมีที่เโสว่ามันมีชุดอะใช่ไหมใช่ค่ะเยอะแหลมแหลนะใช่ค่ะแล้วความรู้จิมากเแต่งกายแล้วองค์สีอะไรตันนี้แอ่ได้เข้ามนมันจะเป็นเก้าแจังนะเก้าแก่หรอเก้าแ มีใจดีขึ้นแล้วนะมีความจำใส่ดีขึ้นแล้วจีตตอนนี้ก็นึกว่าโองสมเด็จตัตมาหลวงพ่อเจ้าอยู่ที่ผานใช่ไหมใช่คแล้วเราก็ตั้งใจว่าสมเด็จตัตมาหลมงพ่อเจ้าอยู่ที่นผานนี้อ้ า, า, าเราบริจาคฐานะที่เป็นลูกของพระองค์เมื่อขันห้าพังเมื่อไรก็จะขออยู่ที่ผา น, นี้กันใช่ค่ะใช่ค่ะตอนนี้รู้สึกว่า ตอนนี้คุณภาพอะไรองค์ี่สวยสะสมใสขึ้นนะไหมทางความ้สเอาความรู้สึกว่าทนใ ส, สขึ้นแนะเดิมคุณรู้ ส, สึกว่าเหมือนทำนจะพัดนั่งเ้วไม่มอะไรไม่มีอไเนไม่ัดไม่ต้องเห็นที่ความรู้สึกเป็นคน อารมณ์เป็นทิศควรรู้สึกามบอกตรงที่ว่าประท้าบนางใช่ถูกต้องใช่หการความรู้สึกคปล่าพระองค์ของไสสว่างหรือว่ามีภาพโม่โมแล้ไรว่าอะไรดวม่เลเจะดวงโม่เลเจ้า่ะเห็นภาพใช่ั้ยเห็นเป็นภาพับพเออดีจริงถึงมากถึงเหม่ีนะ นี่เาชาวโรนะ่นี้ขที่ฐานใหม่พ่าบารมีเจ้าว่าท้าเจ้ามีโอกาสจะเข้าร่วมการในชานี้พราะเด็จพระจินีมตศานมาธุจาทรงสดการให้ทรกาพระ้าเห็นสดธรรมปฏิทิโรทรงอยู่ี आ, आ, ่นหาเลย ร่างกายเราเลยอย่างนี้เป็นกรอีเราต้องการพริการโดยเฉพาะเวลานี้พระพุทธเจ้าอยู่ถ้าอยู่หน้าของโอสมเด็จพระสัมาส ม, มาสัมพุทธเจ้าแล้วแต่เดี่ยวนี้ใครจะไมย่ยองเคลื่อนไปจากที่นี้ให้อยู่กับโอส้สมเด็จพระจีนสีดิบิการตอนนี้ตามความรู้สึก บว่างว่าเ้าสเาครู้สึกเจ้าว่าใหญ่ขึ้นนเ้าค่ใหญ่ขึ้นจ้ห้นะล้็ยังไงมา้สกว่าสวยหมมองเห็นมืนเหมนใสง เหนา้มีีิต้ใในะจาะสงนะใหญึจะญ้ลเจ้า่ะเร็วเร็วนี่ัตั้งใจบูชาง่ทใดที่อสมมาสมเจ้าทรงกัะโดสรุป ว่าเทวจละความทั่วทั้มพระพุทธเจ้าจะขอะความ่วทุกอย่างที่พระองค์ทรงตรัสแลว้ลวทจสาความดีเราจะรักความดีที่ทุ ม, มาธแล้วอสา ม, มเยังทำจิตให้โปร่งใสนั่นก็หมายความว่าเราจะไม่ติดใร่างกายของเราเราจะรังเกียร่างกายของเรา เราจะรังเกียจร่างกายคนอืถ้าเราไม่ติดจี่ไม่ติดใจใดๆเร่งที่เราต้องการนั่งก็คือวนิพานเวลานีเรานั่งอยู่ที่นิพานแล้วต่อหน้าองค์สมเด็จท่านที่แถวและก็ที่ตรงนี้แหละครันหาพัวันแลเราจะมาที่ตรงนี้ตอนนี้กาลังจะดีใช่ไหมดีจังดีเเจาใสใช่ไห ความรู้สึกว่าองค์ทรงยิ้มแย้มองตามองเห็นวิสัยทัศน yeah, ์ตามควร้สกตัว wow ต Se ้องเชื่อความรู <Yeah. S 1> ้สึกวาเวลานี <it> ้ความรู yeah. <C> ้ส <c ay> ึกทยี่องค์ยิ้เนเป็นกำังมองักเพเดียวกำมองมาก ก็เห็นี็เนป็นเงาเงาทั้งวันได้แคกไหะแล้วเห็นใสขึ้นเลยใช่ะวันนี้เป็นเงาเงาวันนี้ดีมากแต่วันนี้เป็เงาเงาต่อไปวาระสายมีไว้หมใช่คะแล้วก็จะไสขึ้นมาทวันทุกครั้งที่เราไหวก็พุทโธแต่จิตจะต้องเข้มาจับจุดที่เสมอนะค่ะ คิดว่าเวลานี้เรากาลังนั่งอยู่ในนาบุพุทธเจ้าแบบนี้นะค่ะเีองคิดไปรอบรอบคิดว่าเวลานีเนี่ยแม่สีมาแล้วข้าวสาวความรู้สึกแม่ถิดว่าเห็นขาความรู้สึกจำความรูสกได้ทั้งหสี มาด้วค่ะเอ๊ะมามาด้วยท่อ่ที่ไหท่านงขวาด้วยค่ะขวามือใช่ค่ะตามความรู้สึกบอกว่าแม่แต่งตัวราศีอะไรแต่งชุดอะไรลูกแต่งชุดทาการศึก มีแคดาวแ่ดาับีคเออนนี้ดีมากเมจะีเะเวนึกนึกดูนึกถามแม่ว่าไมแม่แต่งเีีอะไรแล้วงเช่ออารมณ์ิอารมณ์ิตตวไรก็ไปทำนะ ก็บอกว่าสีเหลืองๆก็มาช่วยคิดทองนะคะที่ปลูกต้องแล้วก็ลองถามแม่ที่ว่าลูกขึ้นมาได้อย่างนี้แม่ดีใจไหม ใช่ค่ะใด่ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะกำุสิตท่านรอ้เปล่าท่านยืนค่ะถูกแล้วถูกล้เนี่ยต่องเีย่อาการที่ขึ้นมาได้ก็เป็นอย่างนี้นะะรฝึกได้ก็เราสารมีไว้นะแล้วต่อไปอยาจะไปไหนไห อยากอยากดูใ่ไหมดอะไรเนยูขึ้นบนที่ท่นแ่อยู่ไหม่ขอกราบพระเจ้าท่านตั้งใจกราบท่านนะแล้วก็นี่ขอให้ขอความุนาท่านแม่ขอท่านแม่พาไปที่ใหม่ขอท่านพิพันธ์นะ่ ไม่ทราบ่ตอนนิ้เกบคิดอะไรอย่างไม่ร้ค่ะอย่างนั้นนะใช่ค่เวลาไม่มีความรู้สึกว่าท่านแม่อยู่ตรงไหนผมนอนอยู่ทางซ้ายแล้วก็ะซ้เลยใช่ค่ะแล้วก็มองข้างหน้าตามความรู้สึกบอกว่าวิมานเขาท่านแม่เป็นไงส่วยสีเียวสีแด